นมัส ก, การหลวงพ่อดีเลกและพระพิจุสง์และสัมมนเณรและญาติธรรมทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้มาณตอนนี้ข้าพเจ้าปราบปลื้มมากดีใจมากเวลาที่มีคุณค่ามากและขอบคุณน้องดาที่แนะนํามามันตื้นตันค่ะหลวงพ่อมันแบบปิติมากอะ่ะที่เวลาที่ได้มาอยู่นี่เจ็ดวันค่ะค่ะ มันจะอะไรน้ำตาลงค่ะมันตื้นตันมันเห็นญาติธรรมมันเห็นหลวงพ่อเห็นพระพิสุสงเห็นสมณะนที่ปฏิบัติดีๆที่ผ่านมาก็มีเยอะแต่เราก็ไม่ได้ปิดวาจาไม่ได้แบบสงบแบบนี้ผ่านมาเยอะแล้วค่ะแต่มาอยู่นี่เราแบบปิติมาก อยู่ในใจเรานี่แบบมีที่สิ่งขาวสะอาดใสๆคือบุญของเราข้าพเจ้าว่าบุญของเรานี่เพื่อความสบายใจถ้ามีบุญเราจะมีความสบายใจมีความเบาหนักแต่เราต้องเบากว่าหนักเราอย่าไปรับหนักเรารับเบาของตรงนี้เราต้องทำเองเราซื้อหาซื้อเองไม่ได้เราต้องปฏิบัติเองเงินทองมาทีหลังหาตอนไหนก็ได้ แต่ส่วนตัวนี้ต้องไม่รู้ว่ามีความรู้สึกว่าบุญมันมาก่อนบุญมันมาเราต้องการบุญน่ะบุญนี่เราต้องทำมาเองปฏิบัติเองคิดเองเป็นการส่วนตัวครอบครัวจะเป็นยังไงก็แล้วแต่แล้วแต่เขาจะเลือกแนะนำใครก็ไม่ค่อยได้ค่ะหลวงพ่อบอกสะพานบุญไม่ค่อยได้ถ้าเขาขาดนี้จะเดินหนีไม่มีความรู้สึกว่ามันต้านกันยังไงไม่รู้ มีความรู้สึกว่ามันไม่สบายใจแล้วก็ต้องเดินหนีค่ะที่มาวันนี้แบบเวลาที่มีมาเนี่ยที่มาตลอดชีวิตของเราเนี่ยปิติมากปิติทั้งเวลาปิติทั้งการอยู่การกินการเดินการปิดวาจาได้หมดเลยหลวงพ่อมีความรู้สึกว่าปิติมากแต่ลูกก็เรื่องหลับเรื่องได้บ้างไม่ได้บ้างมันอยู่ที่ใจค่ะ ต้มีความรู้สึกว่าใจตัวเองมันได้ก็ต้องได้ไม่ต้องฝืนมากทำด้วยความแบบสบายใจถ้าอยากลุกก็ลุกถ้าอยากนั่งก็นั่งแล้วเผลอก็จะหลับไปอีกการหลับนี้แบบก็จะเอาให้ได้แต่มันก็เผลอหน่อยมีความพยายามอยู่ค่ะพยายามจะหยิบฉวยตรงนี้ให้ได้ให้มากที่สุดที่มีเวลาที่เหลือต่อไปเนี่ยเราจะพยายาม พยายามจะฟังหลวงพ่อเนี่ยประการปฏิบัติตรงเนี่ยเราเพิ่งจะเห็นและเพิ่งจะได้ได้แบบมิติมากอะ่ะเวลาก็ได้สถานที่ก็ได้ได้หมดเลยได้บ้านไม้เสาใหญ่อะไรตรงนี้คือได้หมดเลยคือเรามานั่งตรงนี้มันเย็นหมดเลยมันใช่หมดเลยต้นไม้ก็ใช่บ้านก็ใช่สถานที่ก็ใช่การพูดมีเพื่อนก็ดีมีหลวงพ่อก็ดีพระก็ดีดีหมดเลยคือมันมันตำหนี่ไม่ได้เลยอ่ะ รู้จัดดีไหมรู้ค่ะดีขมด้ววานอ๋อดีตรงนั้นไม่เคยไม่เคยค่ะดีดีเนื้อสัตว์เนี่ไม่เคยทางจะผมค่ะทางวนค่ะค่ะความว่าดีมันก็มีหลายอย่างน้องพ่อค่ะมันมีหลายอย่างมองไปสุดดววินะบงชบุญนำุญิสเาแต่ว่าอะไรตีดต้งความสบายต้องรู้จักด้วเพราะความสบายไม่ได้มาเฉยๆนะ เพราะฉะนั <Okay. S 2> <ri> ้นเราคิดว่าบุญเป็นผลกุศลเป็นเหตุเพราะฉะนั้นความสบายนี่ยมันเป็นผลที่เราได้รับแต่เหตุคือกุศลกุศลเป็นเหตุของบุญถ้าหากว่าเราไม่รู้จักเหตุของบุญบุญจะอยู่กับเราได้ไม่นานแต่เมื่เรารู้จักเก็บเงินเนี่ยถ้ารู้จักวิธีการเก็บเงินก็จะอยู่กับเรานานแต่ถ้าเมื่รู้จักวิธีการเก็บเงินก็จะอยู่กับเราไม่นานเหมือนการบุญจะอยู่กับเรานาน้องมีกุศล คูสาุว่าฉลาดในการรักษาความสบายหนักก็สบายเบาก็สบายความสบายนี่มันได้ทั้งหนักทั้งเบาเลยเพราะว่ารักสบายนี่จะคนที่เกลียดเลยกเครอห่แต่ว่าทำอะไรให้มันจะหนักหน่อยทำให้เบาไว้ก่อนค่ะนะใช่แต่กายมันหนักมันเบาเบาครับไมนได้ทำงานก็ตงหนักเวลาวามก็ต้องเบาใจของเรานั้นถ้ามันมันสบายแล้วทำงานหนักก็สบายมันเบาก็สบาย คือเกตนะได้รูจักตรนั้นนะตอนที่โบราสาธุไปเปลี่ยนไปให้คุณสมัยตคุนั้นบางครั้งุณซึมคุณซเหมือนม่้สมัยเหมือนมาหายงานแล้วเป็นไงางค่ะการนมัสการหลวงพ่อและพระพิสุทธิ์ทุกรูปค่ะสามเณรแล้วก็ญาติธรรมทุกคนค่ะ ค่ะการปฏิบัติที่ได้มาคอสตรงนี้นะคะทุกอย่างก็สัปยะดีห้องพักอะไรนี่ก็ดีค่ะเก็บอารมณ์มาตั้งแต่วันแรกวันแรกรู้สึกกังวลเจ้าค่ะหลวงพ่อเพราะมันมีเหตุให้ให้กังวลคือช่วงที่มาอยู่วัดดอยตอนนั้นมันก่อนจะกลับอะ่ะ ในตามันกระตุกอ่ะกระตุกพอพอถึงวันจะกลับทางบ้านก็โทรมาว่าเออหลานเกิดอุบัติเหตุนะรถชนกันตายทีนี้วันนั้นมาปฏิบัติตอนเช้าตื่นขึ้นมาตามันกระตุกกระตุกรตกระตุกมากด้วยโทรศัพท์ก็ไม่มีถามข่าวทางบ้านมันก็เลยเป็นกงนังวลก็เลยทําให้คิดคิดถึงเรื่องบ้านแต่ ก็มาบอกตัวเองว่าเออเรามาตรงนี้ถ้าใครเป็นอะไรเราก็ไม่สามารถช่วยเขาอะไรเขาได้เพราะอะไรมันจะเกิดมันก็เกิดคือเราออกจากตรงนั้นเพื่อมามาไอเรื่องทุกอย่างเราจะไม่เอาเราจะขอทำของเราให้ดีที่สุดก็เลยตั้งใจปฏิบัติก็ก็ดีค่ะการง่วงการอะไรก็ไม่มี ก็วันที่สองที่สามมาก็ดีทุกวันก็ก็ทำแบบสบายสบายไม่คิดไม่คิดแล้วทีนี้เรามาเพื่อออกไม่ใช่มาเพื่อจะไปคิดถึงห่วงคนโน้นคนนี้เพราะไม่มีใครช่วย เ, าเราได้คือเราต้องช่วยตัวเราเองทำเพื่อตัวเราเองก็เลยตั้งตั้งมั่นตรงนั้นนะคะว่าเราจะทำให้ตัวเรามากกว่า ก่อนที่เราจะให้คนอื่นเราต้องได้ก่อนก็เลยพยายามดูการปฏิบัติของตัวเองไปเรื่อยๆแต่มาวันที่สวันที่ห้านีรู้สึกว่ามันก็ยังกลับไปคิดคิดมั่งก็ดึงกลับมาเรามาเพื่อปลดนะไม่ใช่เรามาเพื่อจะมาเอาความคิด เรื่องคนอื่นก็เลยตั้งใจทำค่ะตั้งใจเพราะเวลาเรามาไกลเราก็มามันแบบอะไรนะคะมันก็เขาก็ยังดึงดึงเราอยู่แล้วก็เนี่ยทีแรกหนูว่าจะไม่โยม่าจะไม่ไปที่เชียงคำก็ เราน่าจะไปนะเพราะว่าออกมาได้แล้วเราควรจะไปตรงนี้ไปศึกษาให้มันรู้ๆได้ความรู้ได้อะไรไปกลับไปบ้านจะได้มีอะไรที่มันรู้มั่งอ่ะไม่ใช่ว่ามาแล้วไม่ได้อะไรไ ม, ไม่ไม่รู้อะไรกลับไปจะไปปฏิบัติตัวเองยังไงอย่างนี้แ่คะค่ะการปฏิบัติก็ก็รู้สึกว่า อย่างอาหารอย่างนี้ก็ไม่ไม่ติดในรสอาหารค่ะก็ไม่ง่วงแล้วปฏิบัติความคิดนี่มีไหมความคิดมีก็มีมากค่ะแต่ใช้การปฏิบัติที่หลวงพ่อสอนว่าให้ไอ้นะ่ะก็เดินพยายามเดินเดินหน้าถอยหลังมันก็ดีค่ะก็ทําไปแบบนี้แหละค่ะก็ได้อารมณ์แบบ ไม่ว่อันใหองสัตว์วาเขาเกิดเรื่สัตว์ย่ไปด้วยเรื่องอุบัติเหตุที่ทานได้ไม่ไม่ใช่ค่ะเพราะเพราะตอนที่มันมันเปรียบเทียบตรงที่ว่าไม่ไม่ได้รู้ว่าอุบัติเหตุคือตอนที่โยมาที่วัดดอยตอนนั้นอะ่ะพอจะกลับ ช่วงปีใหม่เขาโทรมาบอกค่ะแต่ช่วงนี้มันเป็นเหมือนเดิมค่ะตามันกระตุกเหมือนเดิมมันก็คงเหตุมีเหตุโยมอุปทานไว้เองนะคะไม่ได้ใช้โทรศัพท์ค่ะแต่แต่ไม่ทราบว่าตอนนี้เขามีอะไรแต่ก็ก็ไม่คิดตรงนั้นแล้วค่ะว่าเออใครจะเป็นจะตายก็ช่างเขาเอาเราเอาตัวเราก่อนอย่างนี้นะคะเวลาแต่ทุกวันแบบขึ้นแบบ ต, ตัวก็ยุคค่ะ มันมันกระตูกแบบค่ะมันเหมือนมีรางนะคะเจ้าข่าหลวงพ่อก็ได้นตั้งแต่เดินทางออกจากบ้านมันถึงจุดนี้แต่ก็ยังมีบานิดงเนาะเจ้าค่ะเนทางจะดยีากตรงนี้หก็ตัดสินใจว่า ยังจะไม่กลับค่ะจะเดินหน้าต่อกค่ <laughs> ะค่ะาาากาบนามัสการหลวงพ่อพระมหาดิเรกค่ะแล้วก็พระภิกษุสงฆ์และสามเณรแล้วก็ญาติธรรมกาลยานามิตรทุกท่านนะคะ ก็ได้มีโอกาสได้เข้าเก็บอารมณ์อยู่สองวันสุดท้ายก็ก็ทำให้มันจิตมันไม่ค่อยแสบสายอะค่ะมันอยู่อยู่แต่ในห้องก็ปฏิบัติตามตามที่สอนคือตอนแรกจะไม่เข้าใจหนักเบาก็พยายามพยายามไปดู ทั้งนั่งทั้งเดินทีนี้เวลาคือมันมันทำให้แต่ก่อนปฏิบัติแบบอาณาปานาสติมามันก็จะมีทั้งทั้งทึบๆโป่งๆมันมันเหมือนกับบางทีเราเห็นลมหายใจมันก็จะโป่งๆ เวลาติดความคิดมันก็จะอึดอัดแต่พอมาศึกษามามาฝึกเรื่องหนักเบาตอนนี้เข้าใจมากขึ้นคิดว่าทำได้อะคะ่ะทีนี้เวลาเดินเราก็จะเข้ามันมันทำให้เข้าใจว่าเออแค่แค่การรู้รู้สึกตัวเนี่ยมันมันไม่สามารถที่จะทำให้มันต่อเนื่องได้ตามความรู้สึกของโยมนะคะมัน แต่ถ้ามีหนักเบามาช่วยมันทำให้เส้นเส้นปะนะมันต่อต่อเนื่องได้ได้ดีขึ้นอะคะ่ะมันก็เรยเห็นว่าอืมเวลามีความคิดเข้าเนี่ยไอ้หนักเบานี่มันช่วยได้มากเลยความคิดมันก็หายเวลามีความคิดขึ้นมาเราก็ตามตามรู้รู้สึกตัวแล้วก็แล้วก็ดูที่หนักเบาสังเกตไปว่าไหนหนักไหนเบา ความคิดมันก็หายมันมันดีมากเลยค่ะนี้ก็ส่วนมากก็จะจะจะได้เป็นจะเก็บสติซะมากกว่าก็คือแต่วันแรกที่เก็บอารมณ์มันมันได้คำตอบอยู่อย่างว่ามันมีปัญหาทางบ้านที่ว่าที่คิดว่าจะเอาเนี่ยก็คือตัดสินใจว่าจะกลับไปทิ้งซะมันก็มันก็เป็นคำตอบออกมาได้อย่างหนึ่งค่ะ แล้วก็ส่วนเรื่องนิวรตัวหลับเข้าเก็บอารมณ์ก็ก็จะไม่เจอพอมาเมื่อวานเมื่อวานมีมันเป็นช่วงที่ก็คือจะจะทดลองไงคะว่าว่านิวรยังอยู่ไหมก็แกล้งจะหลับตาหลับตาแล้วมันก็จะหลับจริงแล้วก็คือยกมือขึ้นแล้วก็ ดูหนักเบาไปดีดขึ้นไปเออมันก็สว่างขึ้นแล้วก็เล่นอยู่สองสามทีมันเหมือนมันมันก็รู้สึกว่ามันแข็งแรงขึ้นนะหาตัวตัวตัวหลับก็ก็ดีขึ้นนะคะก็ท่านนี้ือว่าสมัยตุรกีปีเดื่นพฤศจิกาี คนเบาซึ <f dragging> ่ง <sympath> ค <is> ุณกา่วีเดจะโไนค่ะคเบาตรงนั้นแต่ตรงนี้ต่างกันไีเข้าใจมรู้สนจำได้ไจำได้ค่ะที่เราาหนักต่างกันของโยมจะส่วนมากจะไปติดเพ่งตอนแรกๆจะติดเพ่งพอเริ่มคลายก็ ก็จะมาอยู่ที่กายก็ดูที่สติปฐานสี่เหมือนกันนะคะแต่ว่าการที่เราเดินแล้วมันมันไม่ต่อเนื่องอะค่ะมันมันเหมือนสติมันจะหลุดมันแข็งแข็งอะค่ะมันอยากจะเช่ห็นว่าตัวหนักเบาเนั้นเป็นหนักเบาของตัว ไม่ใช่หนักเกาควบตัวรู้สิมันได้แข็งแล้วเราก็ไมปนึกถึงตำราใช่ไหมค่ะตำราที่ประทานไปคือเราเราหนักเบากพรด้วยความคิดกับความรู้สึกต่างกันถ้าหนักเบาด้วยความคิดกับหนักเนี่ยมันก็หนักนะแต่ว่ามันคิดว่าคิดค่ะมันไม่มันไม่เป็นธรรมชาติใช่ค่ะให้มาดูหนักเบารู้ว่าโดยที่ไม่ต้องมีความคิดนีซึ่งเราจะเห็นว่าตัวหนักเบามันแต่ว่า อย่างให้ใจเข้าแต่ให้จะออกเราก็จะรูชัดว่าไหนหนักไหเบาใ่ไหมค่ะการยืนเดินนั่งนอนก็จะดูชัดว่าอาการยืนเดินนั่งนอนอาการไนหนักอาการไหนเบาค่ะแล้วก็การเอียกดเล็กเล็เยอๆหนักเบาเล็กเยะเพาตาบริจาคอานารหนักอาการเบาฝ่าปีกฝ่าอานารหนักอาการเบาเสียงมกรนคมแดงค่อยอาการหนักเบา มันจะเห็นักเบาในวิธีต่างๆมากขึ้นถ้าเรารู้ความรู้สึกนะแต่ถ้าดูดคอาคิดแต่จะเห็นวิธีเดียวที่เราสับั่นั้นพอพอเลิกกันแ้วก็ดึงไปเลยแต่หนักที่เราสัด้ความรู้สึกมันจะเห็นทะลุหมดเลยทั้งทั้งหัถังตาหูจูมืกายใจเนี่ยเพราะึงว่าจับหนักพอได้ชัดก่อพอที่เราสับได้จะเป็นความหนักพของหัใจหนักพของถ้าดีคอนังนอนกะดับูให้ชัด้วยความรู้สึกนะเลยไม่ต้องใช้คคิดเลย มีตเวลาใช่มมีค่ ะ, ะตนี้เข้าใจถามทีว่าความหนักเบาของความรู้สึกเมื่อปีก่อนที่ทมาแบบความหนักเบาขน น, นี้ยดูต่างเพราะนที่ทําในครเนี่ยมีความหนักเบาที่เป็นความรู้สึกจริงๆใช่ไจริงๆค่ะมันเป็นท<ร>ําไม่คิดอยู่ไม่ค่ะเป็นธรรมชาติแล้วสบายๆ อ, อันเดิมจะเป็นความคิดจริงๆค่ะ ตรงนี้ความพว่าสมระคือเราใช้หนักพอแบความคิดแต่มีปัชนาจะใช้ความรพาวแารู้สึกซึ่งมันเป็นเอกของความระพาวทั้งหมดของร่างกายแต่เราจันักพอมันเข้าใจง่ายเท่าไหรแต่งิแล้วมันก็จะมีอย่างหนึ่งแต่ว่ามันจะคไปเรื่อยๆให้ดูไเรื่อยๆนะค่ะูเรื่อยๆลจะเห็นได้เห็นไปเข้าใจนะค่ะอ่า กอไปคุณจิคิดคุสิท้ายนะใช่ค่ะน้องเพินยังไม่มาเลยใช่ไหมมไหคุณเพิ่นเี่ยคุณเพิ่นหายไปเพิ่นเช่อคนเพิ่นไม่เกี่ยงแต่เอาศิษย์พี่ก่อนกราบนมสการพประคุณเจ้าทุกรูปนะคะแล้วก็สวัสดียติธรรมทุกท่านค่ะก็เป็นคนเก่าที่ปฏิบัติในสายหลวงพ่อเทียนมาค่อนข้างนาน ใช่ค่ะแล้วก็รู้เรื่องใหม่ๆขึ้นมาเยอะคือน่าจะเป็นถ้าหลวงพ่อเทียนพูดก็น่าจะเป็นคนที่รู้จักรู้จำแต่ไม่รู้แจ้งนะคะคิดว่ า, าการมาปฏิบัติครั้งนี้ได้รับการกระตุกเตือนจากหลวงพ่อที่เชียงดาวหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องสังขารด้วยเองที่ร่วงเลยปฏิบัติกระปกกระเปี้ยไม่อย่างลากสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เป็นไม้อยู่ในกระถางอยู่นั่นแหละอะไรเงี้ย mm hmm. ก็หลายหลายข้อที่หลวงพอ่อกระตุกมาแล้วมันเหมือนอยู่ในใจก็โชคดีค่ะว่าเป็นจังหวะที่จัดสรรตัวเองกับการมาปฏิบัติธรรมได้ค่อนข้างยาวก็มาที่นี่ก็มีความตั้งใจในความรู้สึกว่าเออนะอยากรู้แจ้งอ่ะมันเป็นยังไง <laughs> ทำไมไม่รู้สทีอะไรเงี้ย ทีนี้สองวันของการปฏิบัติก็จากการประมนิเทศหลวงพ่อนะคะได้ฟังมาบ่อยนะคะแต่ว่าครั้งนี้มันมาอยู่ในใจเยอะโดยเฉพาะเรื่องของการออกกำลังกายตัวเองเนี่ยขี้เกียจมากอ่าขี้เกียจออกกำลังกายค่ ะ, อะชอบมีข้อข้อแก้ตัวเพราะนั้นอะไรที่หลวงพ่อสอนตอนเช้าเนี่ยจะจำจะจำให้ได้เลยเพราะรู้สึกว่าต้องตั้งใจทาจริง อันที่สองที่เรียนรู้ก็คือเรื่องหลวงพ่อสอนเทคนิคเชิงกุศโลบายเรื่องการการเดินการยกมือภายใต้การจัดน้ำหนักหนักเบาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเราค่ะแต่รู้ว่าท่านให้จับเรื่องนี้ง่ายๆจับเล็กๆแล้วก็ลองทำทำาทามันดูสิก็ก็ได้สองข้อนะคะที่เท่ก็เป็นเรื่องหลักแล้วก็ทำแจกเล็กๆให้ชัดขึ้นมาเนี่ยสามข้อเด็กสามข้อนเนี่ยเป็นเรื่องหลักทีนี้ เวลาลงไปเก็บอารมณ์สี่วันเนี่ยค่ะก็รายงานหลวงพ่อวันที่หนึ่งะค่ะมีโอกาสรายงานว่าโคดงว่วงมันก็มาเลยพอเดินปุ๊บก็เป็นเลขแปดอะคะ่ะไม่ไม่รู้เป็นยังไงตลกมากเลยมันก็จะชวนขึ้นเตียงอย่างเดียวตลอดเวลาก็ฝืนค่ะเพราะว่าก็เคยเรียนรู้มาว่าไม่ต้องไปตามกิเลสมันแล้วก็พยายามทวนกระแสก็ใช้ใช้ความจำแบบเดิมคือฝืนเข้าไป ดูเข้าไปง่วงไว้ก็เดินเดิ น, ดนไปงไ้นแหละชนหน้าชนหลังก็เดินเข้าไปสักพักสักช่วงหนึ่งสองช่วงเช้าก็จะมีเวทนาทางกายเข้ามาอีกนอกจากง่วงคือเรื่องของตัวเองเป็นมีปัญหากดไหลย้อนก็จะมีภาวะเลอรบกวนเพื่อนบ้านดังก็คุมไม่ได้ค่ะก็ปล่อยมันเป็นก็มันเป็นอะไรอย่างนี้นะคะก็เห็นความชัดเจนของกายตัวเองแบบคุมไม่ได้ก็ก็ดูมันไปเรื่อยๆไม่เปิดไม่กระทําเพราะเพราะมีความ เชื่อหนึ่งว่าจะไม่แทรกแซงมันอะไรเงี้ยค่ะมันอยู่ในใจแบบนั้นแต่ก็รอดนะคะก็คือรอดลอดหมายถึงว่าไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ถูกมันพามันขึ้นเตียงไม่ที่นอนแล้วก็พอช่วงบ่ายมันโปร่งขึ้นอาจจะเป็นเพราะกําลังสติมันเยอะขึ้ น, นก็เลยโปร่งแต่โปร่งแล้วก็ไปเห็นปวดเข่าอีกค่ะเห็นกายอีกเห็นเออวันนี้เห็นแต่เรื่องกายอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ยังจับหลักอะไรไม่ได้แล้วก็พยายามอยู่ที่จะเดินเบาๆแต่ก็ยังทําได้ไม่ดีพอวันที่สองเนี่ย มันเห็นตัวฟุงตอนเช้าเป็นความคิดที่เกิดจากความคิดเยอะมากฟุงหน้าฟุงหลังอดีตอนาคตอยู่กลางๆไม่ค่อยเป็นอยู่ได้นิดหน่อยกับฟุงฟุงฟุงฟุ ง, ฟงก็วันที่สองช่วงเช้าเห็นอย่างนั้นแต่ตอนบ่ายก็ดีขึ้นแต่ตอนบ่ายเนี่ยออมีโอกาสได้รายงานอารมณ์หลว ง, งพ่อและหลวงพ่อน่าจะแบบว่าโขกกิเลสความโง่ตัวเองเรื่องหนึ่งคือเรื่องว่า ทำไม่ใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาคือคือว่าถ้ามันมาก็รีบจัดการมันก่อนที่มันจะจัดการเราสิ่งที่หลวงพ่อสอนเรื่องออกกําลังกายเนี่ยทําไมไม่เอาไปใช้อะไรเงี้ยนะคะตอนนั้นก็แอนตี้หลวงพ่ออยู่ลึกๆเหมือนกันเอามันก็ไปพัฒนาตัวตนไปเทีย่ยวจัดการโน้นนี้อะไรเงี้ยคะ่ะคือแบบไม่ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่มั่นใจอ่ะว่าหลวงพ่อสอนถูกอะไรเงี้ยคะ่ะแต่แล้วก็พอวันที่สองนั่นแหละคะ่ะเออ ไหนไหนท่านก็สอนและใช้ซะหน่อยก็เลยใช้ท่าที่เบตอะค่ะอย่างที่หลวงพ่อสอนแล้วก็พอใช้แล้วปรากฏว่าเออเนาะความคิดที่มาแม้มันจะมาเยอะเช้าเนี่ยแต่มันมีช่วงเวลาให้พักมันช่วงเวลาให้พักหรือมันก็มาอีกอะไรเนี่ยค่ะแต่ว่ามันก็เบรกด้วยกันออกกําลังกายแล้วพอมันอยู่กันได้ตอนเช้าเนี่ยพอตอนบ่ายมันก็ มันก็สบายๆมันก็โล่งกันการเห็นอะไรกับปัจจุบันเนี่ยมันเยอะขึ้นแต่ไม่ได้แปลว่าความคิดไม่มานะคะแต่ว่ามันไม่มันไม่ใช้เรามันไม่ใช้เราเหมือนตอนเช้าเพราะวันที่อ๋อแล้ววันนั้นก็ตัดสินใจที่จะไม่ไม่ทานอาหารไม่ทานอาหารเที่ยงนะคะเพราะว่ารู้ว่าอาการที่มันทางกายเนี่ยเริ่มรู้แล้วมันเกิดจากการนิสัยเก่าเรานั่นเองทานอาหารก็ทานเยอะแล้วก็หลงอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พอวันที่สามเห็นความคิดกับกับการเดินเห็นกายกับใจที่มันชักกระเยอะกันในในยะที่ว่าเหมือนกับพยายามจะดึงให้อยู่ปัจจุบันกระทำมันให้ไม่อยู่กับปัจจุบันแต่ว่าไอความคิดมันก็ลากไปใจมันก็ลอยไปบ้างขณะเดียวกันเท้าก็พยายามจะเหมือนกับอยู่กับปัจจุบันแต่ว่าอาการ อาการทางกายก็มีอะไรเ่งนี้ค่ะมันเห็นมันเห็นมนการลากกันไปลากกันมาและก็นั่งคิดว่ามันอะไรทำไมมันถึงหาต้นเหตุไม่เจอสักทีและสิ่งที่หลวงพ่อพูดเรื่องนามาลูปลูปรประนามเวทนาอะไรต่ออะไรอะไรอะไรมันเชื่อมอะไรเนี้ยมันมันเหมือนมากวนใจอะค่ะว่า ม, มันไม่กระอานไม่ขาดมันแทงไม่ทะลุแต่ก็ได้หลักเรื่องของการทำให้ชัดเรื่อ ง, องการ เดินการสร้างจังหวะแบบที่เหมือนกับหนักเบาอย่างที่พวกเราเข้าใจเนี่ยคะ่ะก็กลับมาที่นั่นค่อนข้างเยอะพอช่วงบ่ายเนี่ยเหมือนกับเห็นเข้าใจเรื่องนี้ได้อย่างเหมือนกับว่าเออเข้าใจละที่ทาทาเรื่องเล็กๆให้ชัดแล้วอยู่กับเรื่องชัดๆให้ได้แลวการเดินการยกมือก็กลายเป็นเรื่องสบายๆไม่ใช่เรื่องต้องแบบฟื้น ที่ต้องแบบทำหนักบ้างทำเบาบ้างที่ผ่านมามีความรู้สึกว่าใช้ความคิดสั่งแต่ครั้งนี้ก็ไม่ไม่ไม่เป็นอย่างนั้นมันมันเหมือนจับหลักได้แล้วก็เห็นชัดตอนบ่ายมันก็เลยกลายเป็นเหมือนการอยู่ปัจจุบันมันได้เยอะเยอะขึ้นจริงๆแบบเป็นธรรมชาติพอวันที่สี่เนี่ยมันเหมือนกับบิงโกแบบประมาณว่าออต่อจิ๊กซอได้ว่าอาการที่เวลาที่มันเกิดที่กายแล้ว แล้วมันมาส่งที่ใจเนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีเรื่องที่หลวงพ่อชอบพูดว่าเวทนามีสามเรื่องเนี่ยก็มันเห็นพอพอใจเออมันก็ไหลไปกับที่ว่าเพลินนะเพลินเผลอแล้วก็อยู่กับการที่เอ่อเหมือนกับง่วงไหลไปเป็นอารมณ์ไหลเป็นอะไรแย่อ๋อเวทนามันมาต่อความพอใจแล้วมันมาที่ใจเราแบบนี้เองแล้วมันก็มาเข้าใจวันที่สองว่าอ๋อที่คิดเยอะๆมันมาเกิดที่ใจอ่ะมันมากระแทกที่ใจ พอที่ใจแล้วมันไปสู่การที่ไหลมาที่กายก็คือว่าเกิดอาการล้าเบื่อท้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันไหลกันมันกระทบชิ่งกันไปกระทบชิ่งกันมาก็เลยเข้าใจสิ่งลุงคือทําพอดีต้องทําหน้าที่แปลพอแปลนี่มันก็ช่วยไดเยอะค่ะต้องขอบคุณแซนดี้เพราะมันเหมือนกับมันรู้ที่หัวแต่ว่ามันมันมันไม่เข้าใจ ที่ใจพอไปที่นั่นมันก็ออกพอวันที่สามสติมันเยอะขึ้นการเดินการนิ่งมันเยอะมันก็เลยเห็นว่าอ๋อกระบวนการที่หลวงพ่อบอกว่าต้องเข้าไปที่เหตุของมันเห็นว่ารูปมันพัฒนาไปสู่นามนามพัฒนาไปสู่รูปโดยมีตัวเชื่อมต่อของเรื่องของเวทนาเนี่ยถ้าเรามีสติที่อยู่ปัจจุบันและมีกําลังพอเนี่ยมันจะตามทันพอตามทันมันก็เอาอยู่พอเอาอยู่มันก็กลายเป็นว่าเราอยู่กับปัจจุบันแบบสมดุลได้ง่ายๆ ก็เข้าใจกระบวนการนี้เอ่อก็เข้าใจเห็นว่านหาหลวงพ่อก็ยังไม่ได้เรียกว่าประจักษ์แจ้งชัดเจนอะไรแต่ว่าเห็นและเข้าใจละสิ่งที่หลวงพ่อพูดเข้าใจต้นเหตุมันเพื่ อ, อไปสู่การแก้ที่ถาวรเนี่ยมันแปลว่าอะไรแล้วก็ เข้าใจเรื่องของการไปธรรมวิจยะอะไรวิจัยธรรมะเนี่ยที่หลวงพ่อพูดแต่ก่อนก็รู้สึกทำไมหลวงพ่อชอบใช้บาลีทำไมหลวงพ่อต้องให้อ้างอิงวิชาการก็เป็นคนหนึ่งที่รู้สึกเบือ่อเบือ่ออะไรที่เป็นบาลีบาลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอถึงวันนี้ก็โอ้โหรู้สึกว่าถึงที่สุดประยัดปฏิบัติปฏิเวทเนี่ยเป็นเรื่องที่ถ้าเราจะเข้าใจจริงๆมันจะต้องไป ต้องเข้าไปให้ถึงแต่ไม่จําเป็นต้องเป็นแบบพระก็ได้อะไรเงี้ยภายใต้กันเขาเรียกอะไรให้ให้ให้ใ ห, ให้ทีละคั้นทีละขั้นของลุงพ่อเนี่ยถ้าเราไม่ดื้อจนเกินไปและเราก็เดินตามตามท่านเพราะถือว่าท่านเดินมาก่อนเราเนี่ยเราก็พบว่ามันมีขุมทรัพย์อยู่ข้างหน้าแล้วก็อีกเหลืออีกเยอะที่เรายังไม่พบนะคะก็คิดว่าส่วนนั้น ก, ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะและ้วคีิอีกหนึ่งเดือนที่จะมีโอกาสเนี่ย ก็ก็จะทําเรื่องนี้ให้ให้มันอยู่ปัจจุบันให้เยอะๆแล้วก็ขอขอบคุณผู้จับนะคะแล้วก็ผู้อยู่เบื้องหลังของงานเนี่ยทุกท่านนะคะอะเอ่ยนามไม่หมดอก็ขอบพระคุณที่ทําอาหารที่รสเลิศก็ว่าได้นะคะก็ขอบพระคุณพระหลวงพ่อด้วยค่ะที่คุณเป็นคุณที่ใช้ความคิดแนะโปรเจกต์ตางมาโดยตลอดเนาะใช่ เพราะฉะนั้นความสลับซับซอ้อนของความคิดโดยที่มันแต่ความพิสิทโดยที่ไม่ถุกเท่าไปนี่ระเนีะถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญมากถ้าครั้งนี้น่ะคุณไม่จับตัวนี้ต่อนะพี่ไม่ ม, มีโอกาสเลยเขาบอกว่ า, านี้ฮนะเพราะคุณอยู่ลักความคิดมาคือเรื่องดีๆนะเรื่งที่เป็นมุสอทั้งนั้นนะซึ่งมันเป็นตัวมารที่หนึ่งที่เรียกว่าไม่ใชกับว่าอาภีสังขารมาในเรื่องความคิดที่เราโนษณาในทางดีนะ แต่ว่ามันจะไปถุกลอยตรงนั้นนั่นการที่คุณสมคิดมันจับว่าความรู้สึกตรงนี้เพิ่งเริ่มโตนั้นทำปฏิบัติทําพิ่งเริมนี่เป็นนิบัสนาที่แล้วมันเป็นปัญญาว่าตลอดมันไม่เป็นนิบัสนาเป็นปัญญาอันนั้นในจุดนี้คุณสมคิดแน่ใจได้เลยว่าความรู้สึกที่จับได้มันมันชัดมันเข้าใจได้จริงๆริงพอของเขาก็จะมีจริงคุณยอนย้ำว่าจริงว่า ข้อใจนี้ระดับไหนคนวิสัยทางใจให้ยมตอบนะคะอ๋ะ อ, อ, อถ้าความรู้สึกที่คิดว่าตัวเองชัดขึ้นก็คือว่าพอมันเห็นเห็นอาการสมมติว่าอาการปวดขาเงี้ยค่ะหลวงพ่อที่มันเกิดขึ้นก็เป็นความรู้สึกที่เหมือนมันแยกได้ระหว่างว่ามันก็ปวดแค่ที่ขาแล้วมันก็มีอาการที่ไม่มากระทบเลยมาที่ทําให้เกิดความรู้สึกที่ใจคือมันก็ เป็นแค่ขาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เกิดแล้วมันก็ดับอันเนี้ยนะคะกับอีกอันที่โยมใช้ตัวเช็คคือเรื่องของการที่เมื่อรู้แล้วเนี่ยจิตมันตื่นหรือตื่นรู้หรือเปล่ามันมันมันหรือมันรู้เป็นแบบรู้แบบเข้าไปในแค่เจ็บแล้วก็เจ็บแล้วก็รู้ว่าเจ็บแต่จริงจริงมันตื่นรู้ในแง่ที่ว่ามันมันมันไม่เอาหรือว่ามันเฉยเฉยมันไม่มีความรู้สึกชอบไม่ชอบอะไรเงี้ยค่ะเป็นลักษณะเนี้ยค่ะ ก็คิดว่าเห็นเหตุมันว่าเมื่อเราตัดอารมณ์ที่จะเข้าไปคือไม่เข้าไปเป็นมันเนี่ยมันเป็นยังไงไม่ไปพัฒนาต่อเป็นเวทนาเนี่ยเป็นยังไงคือถ้าหากว่าคุณสนใจตามเรื่องนี้ที่ดีโดยเฉพาะเดินที่เชิงความคิดเลยจะต้งแจ้งเรืนี้คีเพราะคุณเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานทางสังคมเยอะมากเลยแต่ถ้าเข้าใจเรื่องนี้ด้วยเนี่ยมันจะช่วย ในคนเข้กนเข้า้นของเราอ่ะคิดีความคิดดีนะฮะพวกลุ่มเอเทั้งหลายเนี่ยเป็นโรคเครียดก็เลืนี้แหละอันนี้นปน็นการนึนะ<ฮ>แต่มแข่งเร่งที่สองเือสุขภาพอม่างพิธีคุณสาภาพแล้วว่าโรคติดอาหารเนี่ยเพราะนั้นก็ติด น, นั่นเ ป, ป็นการติดอาหารที่ไม่อร่อยอาหารสุขภาพไม่อร่อยนะ <'k. S 1> สุขภาพควรจะดีแล้วยังกา ร, รออกกำกาย เมื่อทางอาหารที่ไม่อร่อยแล้วออกกำลังกายแล้วร่างกายไม่ดีขึ้นคุณต้องไปพบหมอแลตรงนี้นะเนี่ยเดียร่างกายจะได้ไดากายเดิมกลับคืนมาตอนพ่ออใช้วิธีแบบนั้นเอาที่เหลยออยู่เป็นเสกการเพราะาใส่หม อ, อแต่ที่จะแก้ไขได้คือานอาหารด้ า, า, าการออกกำลการสิ่งที่ไม่ชอบตรงนั้นเลยในอกลังกายเนียนะอาหารที่ชอบคืออาหารที่เราปุงรสแต่กลับไปเนี่ยไศึกษาด้านอาหารอีกกิน ะนั้นแต่ในอย่างที่เราจะได้ต้องผิดโวษมั น, นมจริงๆก่อ น, าา น, นๆๆแล้ ว, วมาผิดทษจจริงเดีวก็ล <c oughs> ับไปทำหมือนเดิมคือยของอร่อยเขาว่าร่ไม่ใเาว่าอักสาทะใช่ไหมเป็ว่าอร่อยแล้วต้องเป็นอักสาเป็่นกับาทัาทะแนว่าอลยรชอบใจเปล่ากสาถ้าเป็นรถทำกายอักสาทะเป็นความบริสุทธิ์ถ้ า, า, าเป็นรถทำจิตท่าใช้รถกับสาทะมาจ า, า, ากคำภาษาใช่ไหย ก็มีเสพเอาภาษาค่ะคือความสรางซึ้งความอร่อยใจในธรรมาในการการทําในสิ่งที่เราสัมผัสได้เพราะนั้นตัวเวทนาทางกายที่เป็นทั้งรสอร่อยคือสุปรนะโน์รสไม่อร่อยคือทุกเวทนาและรส ก, กลางแต่ทุกขโมสิเวทนาไปชิมรสนี้ให้ดีแล้วชิมไปแล้วเราจะได้อมาการรสเกิดภาษาคารณนี่แหละที่เราจะเข้าใจสภาวะะ่าการละเอียด ที่มาบอกยังกลัวว่าคุณจะลืมเพราะคุณอยู่ความคิดเดยวมา แ, แต่คอาคิดที่ดีๆเท่านั้นนะไม่ดคิดเยอะก็อยากจะให้ไปหาาละเียตรงนี้ น, นนะคิดว่ า, นาคนนึงเดือนเนี่ยนะว่าทเรื่องีจริงพกลุมอิโดทั้งหลายที่คิดเกี่ยวข้องด้วยจะทำมาแก้ไขปัหาดีแล้วงงก็จะง่ายขึ้นแต่คืใช่ว่ม า, มา ร, ระดับตาประเทศก็ได้ไทยก็ตา ม, มานะก็ ค, รควรปาสุดีได้ แต่จะต่นดีได้เพราะคนท้ายคุตาายเป็นทคนเปิดและคนปิดแล้วก็คนรายงานโดยน้ำตโดยสรุปคือภาพรมทัดขอให้มีารลงคตาม่ใ่ากแ่เที่เราคุงเสนินั้นอิเ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 ก็เมื่อก่อนเราคิดว่าเป็นคนเรามีเหตุผลกับมีเหตุผลมากขึ้นเพราะว่าเราได้เป็นผู้ฟังมากขึ้นแล้วแล้วครนี้ก็มีเหตุอันจําเป็นที่ไม่ใช่จําเป็นค่ะหมายความว่าฟุกมากกว่าได้คอร์สของหลวงพ่อเนี่ยที่จะจัดเราจะพาคุณครูในโรงเรียนไปไปปฏิบัติ ด, ด้วยปรากฏว่าอ่าที่คอของหลวงพ่อเขา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 ไม่ไม่ได้เป็นคนฉลาดมากดังนั้นมันจะไม่ได้ในเนี้ยค่ะต้องกลับไปปลูกที่บ้านเยอะต้องไปลดน้ําที่บ้านเยอะมากเลยค่ะก็ถึงจะเอามาลงดินใช่ไหมพี่สมคิด <c oughs> พี่สมคิดบ <c oughs> อกว่าย <c oughs> ืนอยู่ในกระถางพอหลวงพ่อยื่นให้ก็ต้องเอามาปลูกเองที่บ้านเพราะว่ามันมันไม่ได้โตตรงในเจ็ดวันที่หลวงพ่อยื่นให้นะคะก็ณตอนนี้ก็คิดว่าเรากําลังรู้ว่าไอ้มะขามเนี่ยจริงๆแล้วมันมันมีเปลือก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 ยังถามงานเรื่องพิพิธภัณฑ์พศเียนซึ่งคุณแตยเองรับงานเรประมาณนึงคือมาสร้างพิพิธภัณฑ์พศเหตุขึ้นนี้ก็อยากจะเอาประวัติพศเหตทั้งหมดที่เป็นเป็นรูปรรมเนี่ยออกมาเป็นภาพแต่ก็รับอาสาตรงนั้นทำอันนี้ซีรี์ที่หนึ่งรที่สองที่จนีหนึ่งกับ2้ค่ะมี4ี่ซีรีส์ค่ะที่ในการทางานตรงนั้นคูณแต่ได้ใช้ตัวการเจริญสติเข้าไปอย่างรตอนนี้ ใช้งานที่ต้องใช้ความสามารถหลายด้างลักษณะเงี้งยเอิสติที่เราบฏิบัติเขาก็มีวิชาอยู่ยงไงยค่ะก็ตอนนี้นี่คือคือคือจริงๆอาชีพเป็นเป็นครูสอนดนตรีใช่ไหมคะแล้วก็พอมาปฏิบัติทมกับหลวงพ่อก็เริ่มตกงานนะคะตอนนี้ก็ไม่มีงานทำ <laughs> <laughs> ปฏิบัติทรรมอยงเดียวแล้วก็เมื่อก่อนเนี้ย คือชอบวาดรูปก็ไปไปเรียนวาดรูปแต่ใจตอนที่เรียนวาดรูปคือตั้งใจจะวาดรูปให้พุทธศาสนาอยู่แล้วค่ะหลวงพ่อแต่พอมาปฏิบัติธรรมกลับวาดไม่ได้เลยค่ะคือว่าพอมันจับผู้กันปุ๊บนี่มันมันตื้อมันมันรู้สึกว่ามันเป็นมายาหมดเลยค่ะหลวงพ่อแล้วก็เลยทิ้งก็เก็บผู้กันหมดเลยค่ะไม่ไม่ไม่ทาอีกแล้วพอเรา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 แล้วมันเยอะเกินไปแล้วมันกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ไวเนียวอะค่ะมันไม่น่ามองไม่น่าดูแล้วเราก็มีความสุขหลวงพ่อเขต้องรับทุกคนแบบนี้ก็เ <c oughs> <c oughs> ลยมาขออนุญาตหลวงพ่อว่ายมขอรับคนเดียวได้ไหมก็คือว่ามันก็จะกลายเป็นความคิดเดียวก็คือขอคนไม่สอด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 อนุภาพของหลวงพ่อเทียนค่ะแต่เป็นพลังที่ที่เรารู้ว่าเราต้องเปลี่ยนอีเลียบทพอเรารู้สึกว่ามันตึงเรารู้มันหนักมันก็ถอนออกอะฮะหลวงพ่อแล้วแม่ถามว่าไม่เมื่อยเหรอเราก็ก็ถ้าเมื่อยก็เปลี่ยนมันก็จบอยู่แค่นั้นเองอะคะ่ะแต่ว่าสมาธิที่ที่เมื่อก่อนนี่น่าจะเป็นคนที่ไม่เมื่อยไม่ค่อยมีสมาธิเพราะว่ามาม า, มาปฏิบัติธรรมก็เริ่มมาเจริญสติเลยนั้น